เก่งกว่ามีผลงานได้ได้ดีกว่าเราไอความรู้สึกตัวกูเนี่ยมันขึ้นมาเลยเวลาเห็นเพื่อนเ้าทำงานได้ดีกว่าเก่งกว่าหรือว่าได้รับคำชมมากกว่าเจ้านายก็ชมเขานะว่าเขาทางานเก่งเกิดอะไรขึ้นนะร่องอารมณ์มันก็กลับมันก็ไปสู่เรื่องของความรู้สึกถือมั่นว่าตัวกูเราด้อยกว่าเขาเราก็เลยไม่ชอบเขารู้สึกเสียหน้าก็มีอย่างที่พูดเมื่อเช้า แต่ถ้าเรามองในมุมหนึ่งเนี่ยว่าโอ้เพื่อนเราได้เพื่อนที่เก่งก็ดีนะจะได้ช่วยกันทำงานให้มันได้รับความสาเร็จหรือว่าให้ได้งานเกิดผลดีขึ้นลองเราได้เพื่อนที่ไม่ดีเลยเพื่อนที่ไม่เก่งเลยนะถ้าเราได้เพื่อนวงงานที่ไม่เก่งนี่โงานเราหนักนะงานมันตกที่เราแล้วพองานไม่ดีเจ้านายก็ว่า แต่การที่เราได้เพื่อรบงานที่ดีที่เก่งเราน่าจะดีใจไม่ใช่เสียใจแต่เพราะความที่เราไม่มีสติเราก็เลยคิดไปในทางลบเปิดช่องให้อัตตามันขึ้นมาว่าเราสู้เขาไม่ได้นะเขาเก่งกว่าเรานะหรือว่าเขาทำให้เราเสียหน้าถนะคิดแบบนี้เนี่ยทุกทั้งนั้นแหละ ลองคิดในมุมอีกมุมหนึ่งว่ามีเพื่อนดีเพื่อนเก่งก็ช่วยทําให้งานเราสําเร็จทําให้องคอ์กรเราประสบความก้าวสมัยก่อนตอมาเขาก็เป็นตรนมป็นคารว่าเคยทํา NG นเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะเมื่อสักสาสิปีก่อนก็มีองคอ์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเด็กไม่กี่องคอ์กรหรอกนะแล้วก็ทําไปทําไปมันกลายเป็นงานแข่งกันเวลาองค์มูลนิธิโนนเขาทํางานสําเร็จได้แล้วการยกย่องเราก็อิจฉาเขา แล้วก็เริ่มตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเขาไอ้ความพิจะร่วมมือก็น้อยลงแต่มาพอมาคิดอีกทีเอ้ยเรานี่หลงไปแล้วนี่เรากำลังเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเราเราทํางานเพื่อช่วยเหลือเด็กนะเราทํางานเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดอาหารช่วยเหลือเด็กที่ลําบากถ้ามูลนิธินั้นเขาทางานดีเราก็น่าจะดีใจด้วยเพราะว่ามันช่วยทําให้เด็กไทย หลุดพ้นจากความทุกได้มากขึ้นมีความแล้วก็มีความสุขมากขึ้นถ้าเราเอาเด็กเป็นตัวตั้งเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ไม่รู้สึกอิจฉานะแต่ถ้าเร า, เาตัวเราเองที่ตั้งนี่เราจะอิจฉาแล้วเราจะทุกข์แล้วเราจะคอยคอมเมนต์เขาคอยหาทางถ้าเราไม่มีสติเราก็คอยขัดแข้งขัดขาเขาคอยนินทาว่าไอ้มูนนิทีนี่มันไม่ได้เรื่อง มันเอาแต่ทำทำงานแต่ทำแต่หน้าสร้างภาพลักษณ์นะมันก็มีนะเ ร, เราเราเผลอไปขัดแข่งขัดขาเขาคอย discredit เขาดินทาเอาเรื่องจริงมาพูดบ้างเอาเรื่องไม่จริงมาพูดบ้างเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาได้ดีคิดแบบนี้นี่มันมันบาปนะมันบาปมันเป็นกุศล แล้วก็บางทีทำให้เรานี่กลายเป็นคนที่ย่าแย่ลงนะเพราะว่าคิดแต่ในแง่ร้ายหรือว่าพยายามขัดขวางซึ่งก็เป็นเพื่อเรากันเองนันเป็นเพื่อเรานั่นเองแต่พอเราตั้งตั้งหลักใหม่เออเราทำเพื่อเด็กไม่ใช่หรือแมนเขาเก่งก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะก็ช่วยทำให้งานเราเบาลงไม่ต้องแข่งกันเรามาร่วมมือกันพอคิดแบบนี้เราก็มีความสุขอัตราเราก็เล็กลงด้วย นะเราทํางานยังมีความสุขช่วยเหลือกันเอาเอาเอาประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีแข่งกันระหว่างสํานักแข่งกันระหว่างวัดนะแต่ถ้าเรามองว่าเราทําเพื่อพระศ า, านะสนาสํานักนั้นสํานักนี้เข า, เามีญาติโยมขึ้นมากแล้วก็มีคนสัทธานับถือปฏิบัติมากก็น่ายินดีไม่ใช่ไปไปคอมเมนต์เขานะ ว่าไปอิจฉาเขานะอยจิตแบบนี้มันเป็นอกุศลมันเป็นการวางจิต ท, ที่ไม่ถูกต้องแล้พวกเราทำงานก็เหมือนกันนะทำงานก็ต้องอย่าไปอย่าไปคิดว่าใครที่เก่งกว่าเราทำงานได้ผลกว่าเรานี่เป็นเป็นคู่แข่งต้องมองว่าเขาเป็นเพื่อนที่ช่วยทำให้งานมันประสบความสาเร็จไม่ว่าจะอยู่ในแผนกเดียวกันคนล ะ, ะแผนกหรือคนละโรงพยาบาล เขาเก่งเขาดีเขาทำงานสำเร็จก็ยิ่งน่าอนุมโมทนาอันนี้เรามีมุธทตาจิตจิตใจเราก็จะเย็นสบายและความเป็นนี้ก็จะเกิดขึ้น